สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเยซูตอนที่ห้าร้อยสิบห้าเรื่องพระเยซูในพระคัมภีร์ฮีบรูครั้งที่ยี่สิบครับพ้ะเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่หกข้อที่สิบสามจนถึงข้อที่ยี่สิบเมื่อพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ ที่พระองค์จะทรงอ้างได้นั้นพระองค์ก็ได้ทรงอ้างพระองค์เองคือตรัสว่าเราจะอำานวยพรเจ้าเป็นแน่และจะให้เผ่าพันธุ์ของเจ้าทวีมากขึ้นเช่นนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้วท่านก็ได้รับพรตามพระสัญญานั้นส่วนมนุษย์นั้นจะต้องสาบานต่อหน้าผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตนแล้วเมื่อเกิดข้อทุ่มเถียงอะไรกันขึ้น ก็ต้องถือคำสาบานนั้นเป็นคำยืนยันท่านเด็ดขาดฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงให้บรรดาผู้ที่ได้รับพระสัญญาเป็นมรดกรู้แน่ยิ่งขึ้นว่าพระดําริของพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์จึงได้ทรงยืนยันพระสัญญานั้นด้วยคำสาบานเพื่อว่าโดยสองประการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พระเจ้าจะไม่จัดมุสาเราผู้ที่ได้หนีไปยึดความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้า เราจึงจะได้รับการชูใจยอย่างมากมายความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเหมือนสมอที่แน่และมั่นคงของจิตใจความหวังนั้นที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังมานที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าได้ฉเฉด็จเข้าไปก่อนเพื่อเราแล้วเพราะพระองค์ได้ทรงรับการแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิตตามแบบอย่างของเมลคีเฉดเด็จพี่น้องครับในเช้าวันนี้ สิ่งที่พระธรรมฮีบรูได้นําเสนอซึ่งเป็นข้อชนะของพระเจ้าที่มีมาถึงเราก็คือผู้เขียนฮีบรูนั้นได้ยกต้นแบบที่พวกคนยิวรู้จักและคุ้นเคยดีนั่นก็คืออับราฮัมบิดาของพวกเขาอับราฮัมนั้นเป็นบิดาแห่งความเชื่อและเรื่องของอับราฮัมและการที่อับราฮัมรอคอยพระเจ้าอย่างอดทนด้วยความเชื่อ เพื่อที่พระองค์จะทรงกระทําให้พระสัญญาของพระองค์สําเร็จที่มีต่ออับราฮัมนั้นสําเร็จเพราะฉะนั้นผู้เขียนฮีบรูกำลังชี้ให้เห็นที่นี่ว่าพระเจ้าทรงปฏิญาณต่ออับราฮัมพระเจ้าทรงให้คํามั่นสัญญาและปฏิญาณต่อต่ออับราฮัมว่าเราจะอวยพรท่านแน่พี่น้องครับคําว่า คำสาบานมีความหมายว่าคำมั่นและคำสัญญานะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดความมั่นใจเพื่อที่จะทําให้เกิดความเชื่อนะครับอับประหัมนั้นได้รอคอยพระเจ้าอย่างอดทนครับเพื่อที่พระองค์จะทรงกระทําตามที่พระองค์ได้ทรงสัญญาการอดทนด้วยความเพียร น, นะครับพระมีใช้คํานี้อดทนด้วยความเพียร ก็คือด้วยความอุตสาหะและด้วยความหวังครับความหวังนะครับความอุตสาหะนะครับจะสร้างความอดทนขึ้นมาได้พี่น้องครับความหวังนะครับและความอุตสาหะจะสร้างความอดทนขึ้นมาได้และเมื่ออภิธรรมอดทนได้ท่านก็ได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่ถูกสื่อตรงนี้ชัดเจนครับว่าหากผู้อ่านชาวยิวในสมัยนั้น จะทนคอยด้วยความอดทนในแบบเดียวกันพวกเขาก็จะได้รับพระสัญญาของพระเยซูเหมือนๆกันแต่พระสัญญาของพระเยซูนั้นก็คือตัวของพระองค์เองครับพระสัญญาของพระเจ้าที่จะส่งพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ในข้อ 16-18 ครับก็ได้พูดถึงว่ามนุษย์นั้นจะต้องปฏิญาณต่อหน้าผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตัวเองและเมื่อเกิดการทุ่มเทียง ต้องถือให้คำปฏิญาณหรือคำสาบานนั้นเป็นคำยืนยันท่านเด็ดขาดในข้อ17ก็บอกตลับไปว่าฝ่ายพระเจ้าเมื่อทรงหมายพระทัยจะสําแดงให้ผู้ที่รับทำสัญญาเป็นมรรดกให้รู้แน่ใจ ย, ยิ่งขึ้นว่าพระดำริของพระองค์จะแปลปรวนไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในทีน่นี้พระกัมพีก็ใช้คำว่าพระองค์จึงได้ทรงให้คาสาบาน อย่าลืมนะครับพี่น้องครับคำสาบานก็คือคำปฏิญาณครับไม่ใช่เป็นคำสาบานแบบที่เราให้ความหมายกันเองและข้อสิบแปดได้บอกว่าเพื่อด้วยสองประการนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในที่ซึ่งโปรงจะตัดมุสาไม่ได้นั้นเราซึ่งได้นีมาหาที่รีภัยนั้นจึงได้รับการหนุนน้ำใจอย่างจรงิงจังที่จะช่วยเอาความหวังที่มีอยู่ตรงหน้าเรา พี่น้องคะผู้เขียนนั้นได้ขยายความเกี่ยวกับความสําคัญของคําปฏิญาณนะครับซึ่งจริงๆแล้วหมายถึงอะไรครับหมายถึงคําสัญญาอย่างเป็นทางการครับคําปฏิญาณของพระเจ้าซึ่งในพระคัมภีร์บางฉบับใช้คําว่าคาสาบานนั้จริงๆนะหมายถึงคํามั่นสัญญาแบบเป็นทางการนะครับในข้อ16ความหมายก็คือว่าผู้คนมักให้คําสัญญาแบบเป็นทางการต่อกันไม่ว่าจะให้ ทำปฏิญาณนะครับไม่ว่าจะในการให้คำปฏิญาณว่าจะพูดความจริงในศาลพิจารณาคดีหรือในการทําสัญญาข้อตกลงแบบเป็นทางการมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกตินะครับดังนั้นพระเจ้าผู้ทรงประทานและปรารถนาที่จะให้รูปของพระองค์นั้นพูดความจริงตรงปรารถนาที่จะสำแดงให้ผู้ที่รับคําทรงสัญญานั้นเป็นบรุษ รู้ให้แน่จริงรู้ให้แน่ใจยิ่งขึ้นอีกครับว่าพระดาริของพระองค์จะแปลโวนไม่ได้พระองค์จึงให้คําปฏิญาณไว้นะครับเชื้อสายของอรหธรมก็จะเป็นผู้ที่รับมรดกคําสัญญาหรือคําปฏิญาณนี้ถ้าใครที่รับด้วยความเชื่อเขาจะอยู่ในคําสัญญาของพระเจ้าเป็นนะครับอย่าลืมนะครับในชีวิตของเราเมื่อเรารับคําสัญญาด้วยความเชื่อ เราก็อยู่ในคําสัญญาและในคําปฏิญาณของพระเจ้านี่คือสองสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องครับความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าขึ้นอยูกับสองประการนี้ครับก็คือการให้คํามั่นสัญญาก็คือคําปฏิญาณครับพระสัญญาของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนพระเจ้าปฏิญาณไว้แล้วนี่คือความสัตย์จริงของพระเจ้าครับว่าพระเจ้าตรัสมุสาไม่ได้ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้พระนกัมภีร์จึงให้เรามีความมั่นใจนะครับว่าใครก็ตามที่อยู่ในน้ำมไทยของพระเจ้านะครับอยู่ในเงื่อนไขของพระองค์เงื่อนไขนี้คือเงื่อนไขแห่งคําสัญญาและปฏิญาณ น, นะครับแน่นอนครับคนคนนั้นก็จะได้สิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้อย่างแน่นอนพี่น้องครับพวกเรานะครับก็เปรียบเหมือนกับคนเหล่านั้นที่ได้หนีมาหาที่ลีภ้ภัย นะครับพระเจ้าของเราเป็นที่รีพ่ายที่มั่นคงและปลอดภัยให้กําลังใจกับพี่น้องครับว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เราสามารถไว้วางใจได้อย่างสนิทใจครับเราสามารถที่จะพึ่งพาพระองค์ได้อย่างสนิทใจครับเราสามารถที่จะทูลขออธิษฐานต่อพระองค์ได้อย่างสนิทใจครับด้วยความสนิทใจด้วยความจริงใจนี่เองนะครับด้วยเงื่อนไขของการเชื่อฟัง แบบอับราฮัมนะครับก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเข้าสู่คําสัญญาหรือพระสัญญาของพระเจ้านะครับและทําให้เราเกิดความมั่นใจอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือคําที่พระเจ้าได้คาสัญญาที่พระเจ้าได้ปฏิญาณไว้แล้วนะครับผมอยากจะให้กําลังใจพี่น้องนะครับว่าความหวังนั้นก็เราต้องยึดไว้ครับเป็นเหมือนกับสมอนะครับสมอเรือ ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเป็นความหวังที่แน่นอนมั่นคงนะครับและทอดไว้ภายในมา่านความหวังนั้นเป็นดั่งสมอฝ่ายจิตวิญญาณครับเป็นความหวังที่แน่นอนมั่นคงเมื่อพายุชีวิตเมื่อวิกฤตของชีวิตหาถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการข่มเหงหรือเป็นความยุ่งยากต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับความทุกข์ยากระบากต่างๆ เราก็จะมีสมอไว้คอยฉุดชีวิตของเรานะครับยึดชีวิตของเราให้แน่นมั่นคงอยู่ในความเชื่อสมอนั้นเป็นความหวังในพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าโดยทางพระเยซูครับพี่น้องที่นี่บอกว่าพระเยซูเป็นผู้ที่นำหน้านะครับเสด็จไปเผื่อเราแล้วคือพระเยซูผู้ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิตตามแบบอย่างของเมลคีเสด็จตอนนี้พระกัมพีกําลัง ปูทางให้เราไปหาพระเยซูในฐานะเป็นมหาปุโรหิตที่เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดนะครับในข้อที่สิบเก้าและข้อที่ยี่สิบนะครับความหวังของเรานั้นฝากอยู่ที่พระเยซูครับนะฮความหวังนั้นนําไปสู่อภิจุทิศสานสถานข้างหลังม่านในพระวิหารครับและเป็นที่ที่พระเยซูนําหน้าพวกเรานะครับและพระองค์ ก็เป็นมหาปุรหิตเพราะเนื่องจากว่าพระองค์เข้าไปอยู่ในอภิจุดที่สถานนั่นคือพระองค์เป็นมหาปุรหิตเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาดูต่อครับว่าพระเยซูเป็นมหาปุรหิตอย่างไรบ้างขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรื้อฟื้นและทบทวนว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นบวกกับคำปฏิญาณทําให้เรามีความหวังครับอาเมน